พระพุทธเจ้าเป็นอุปสัมบมาลหรือไม่ใครเป็นผู้ให้อุปสมบทราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นทรณีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอุปสัำปทาอันว่าอุปสมบทนี้ดีหรือหรือว่าอนุปสมบทนี้ดีพระนาคเสนมีเถระวาจาว่า มหาราชะขอถวายพระพรมหาบพิษมาหิศรด้วยอิสริยยศอุปสมบทนี้ดีกว่าอนุปสมบทขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคะเสนะ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานสมเด็จพระมหากรุณานี้เป็นอุปสมบทหรือหรือว่าเป็นอนุปสมบทเล่า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 มีพระยานแตกฉานในปฏิสัมพิทามิลินทราชาหนังเจตัทธวุจจจึงเปรียบความถามพระเจ้ากรุงมีลินทะราชโดยโวหารว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐในสิริขานทุกวันนี้บพิษพระราชสมภารเสวยพระสุทาหานหรือหาไม่ได้นะพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินทราชมีพระราชองค์การตรัสว่า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 สัตว์นรชาติที่อาฆาตจองเวรแก่กันมาช้านานก็ได้พรหมวิหารผูกเมตตาต่อกันเปตตวิเศเยวินัสสันติเปรตทั้งหลายก็อันตรธานหายจากเปรตวิสัยของอันเป็นพิษนั้นไส่ก็กลายเป็นน้ําอมฤตอันโอชามุนหะคัพพาอิติโยอันว่าสตรีทั้งหลายอันมีคันอันหลงก็คลอดลูกง่ายได้